อืรรมอ่าลองทกันพวกเรามาประกอบอาชีพในทางจิตวิญญาณไม่ใช่ประกอบอาชีพทางปัจจัยสี่การหาอาชีพทางปัจจัยสี่ต่างกัน บางคนก็เป็นครูเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าเป็นชาวนาชาวสวนรับจ้างกรรมกรได้เงินได้ทองมาคทำจนครอบครัวเลี้ยงโลกเลีเ้ยงหลานได้บางคนก็อดอดจากอยากบางคนก็มั่งมีสีสุขแล้วแต่ความสามารถ ของแต่ละบุคคลแต่ว่าการอาชีพทางกิตวิญญาณเนี่ยต้องอันเดียวไม่ใช่หลายอย่างต้องมาเจริญสติเพราะสติเ น, นีมันเป็นที่ก่อกำเนิดของอริยทรัพย์อริยทรัพย์เกิดขึ้นตรงนี้อริยทรัพย์ก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาคือม่อผลที่ผ่าน ต้องเกิดจากสติเพราะสติเป็นที่ให้เกิดเหมือนแม่ทาที่เป็นแม่แพระเจ้าเปรียบเทียบสตินี่เหมือนรอยเท้าช่างมันใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหลายรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายต้องมารวมลงอยู่ที่รอยเท้าของช่างคือสติคือความไม่ประมาทเราจะมาสร้างตัวนี้ จะให้มันจนเราจะได้ใช้ทรัพย์ภายในจะมั่งมีจะไม่จนถ้าจนทรัพย์ภายในก็ไปสั่วบายยปูมิเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสนนโลกเป็นเนริชานเป็นภูมันต่ําเราจะต้องไม่ประมาทจะต้องมาสร้างกันให้มันมีให้มันมากให้ ม, ใหมีให้มาก จะได้ไหมจนคนจนคือคนโกรธคนจนคือคนทุกโลกโกดหลงวิตกกังวลนั่นเรียกว่าจนแล้วทใไมจนมันจะคงเส้นคงวาถ้าเราสร้างมันนี้เรามันจะช่วยทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นนิพธ์ผาประพฤติธรรมย่อมไม่ตกไปสู่ในที่ชั่วไม่ตกไปสู่ในที่ทุกข เวลาใดเราโกรธแสดงว่าเราจนจนอาเลียทรั์ต้องต้องต้องท่วงต้องทับท่วงได้เลยถ้าใครยังโกรธอยู่แสดงว่าเขายังจนจนอาเลียทรั์เห mm hmm. มือนคนขอทานคนไม่มีอันจะอยู่จะกินเขาจนจนทรัพย์ภายนอกคนที่โกรธคนที่ทุกข์ใจเศร้าหมองเนี่ยแสดงว่าเขาจน ไม่ ใ, ใช่เรื่องอื่นแล้วเขาไม่จนเขาไม่ทุกข์เขาไม่โกรธเขาไม่หลงหรอกเพราะเราจะไปเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วอริยัพย์ภานนี้เราก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ไม่ต้องไปรับมรดกอ้อนวอนขอร้องจากใครไม่ใช่ไปปนไปกี้ ไม่ใช่ไปลักไปขโมยเอาเป็นการกระทำขึ้นในตัวเราทำไม่ต้องทนจากตัวเราเพราะมันก็หาไม่ได้ต้องมาประกอบต้องมาทำามาสร้างสร้างให้มันมีแล้วมันก็มีได้ไม่ต้องรอด้วยเอกมือขึ้นรู้สึกทันทีเลยเอยาวนาะโปูกข้า ครึ่งปีขอนปีจึงได้ผลได้เก็บได้เกี่ยวเกาะสวนปลกูกผลละหมากลากผ้ า, าปลูกผักผลสาดปลูกผักน้อยก็ต้องเดือนหนึ่งหรือสองเดือนหรือครึ่งเดือนจึงได้กินปลูกเพล็กปลูกเขือนปลูกอ้อยปลูกมันต้องรอบางทีปีละครั้งผลลับปีละครั้ง ก็จะได้รับก็จะได้กินก็เกือบตายไปแล้วบา ท, ทีก็ขาดทุนบางทีก็พออยู่ได้แต่ว่าการมาสิกขาและทำเป็นอาชีพทางจิตวิญญาณนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องท่วมไม่ต้องแรงไม่เสี่ยงรู้ได้ทันที เอ็กเมื่อขึ้นก็รู้ได้ทันทีหายใจเข้าหายใจออกถ้าเจตนาที่จะรู้รู้ได้ทุกส่วนของโลกนะที่มันเป็นโลกที่มันเป็ น, ปนดุลมหาปุตตะโลกเอามาปิดความรู้สึกตัวเนะี่ยจะทําอะไรก็ได้ถ้าเป็นความรู้สึกตัวให้ในความรู้สึกตัวอยู่ที่กายเป็นหลักมันฐานไปตั้งไว้ที่อื่นไม่ใช่ ซ <c oughs> ับในงอกมันเราเป็นไรเชื้ะเกษตรกรต้องปลูกลงในดินดินมันต้องดีนะมันต้องมีมันยังจะงอกยางงามเหมือนคนโบราณไปซื่นนาไปซื่อสวนถ้าเห็นต้นบกเราเรียกว่าไม้อดไม่อย่าง ยังเห็นต้นบกขึ้นในพื้นดินเขาว่าไม่อดไม่อยากถ้าต้นบกขึ้นเทนไหนลเรโดมสมบูรณ์ดินดีป่ายุงป่ายางป่าไผ่ป่า แ, แต้ก็ไม่ดีนะเราโยมเนาะนั่นบอบกป่า แ, แตะเห็นแห่น่ลอดอยากก็แตะมาเราเม่ยล่ะไม่หาเขาละ ปาบกปาไผ่ป า, ปาดูโอ้ดนดีไม่อดไม่อยากนี่ก็เหมือนกันการปลูกสติมันต้องเป็นเรื่องของกายกายนี่มันเป็นแก้วสรพัดนึกเอามาใช้เพ็ิดเป็นความรู้สึกตัวได้ทุกส่วน หายใจเข้าก็ได้รู้สึกตัวพิบตาก็รู้สึกตัวเลื่อนน้ำลายก็รู้สึกตัวยืนก็รู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัวพิ่งพอเรามาเจตนาเคลื่อนไหวตามรูปแบบแเขาเรียกว่าพับพระบับพระสติปัฏฐานรับพระไม่มากสมรเชน ญ, ญปรับพระ สมัชฌัญพะเกี่ยวกับกายสมัชัญ บ, บพะเกี่ยวกับลมหายใจสมัชฌัญ บ, บพะเกี่ยวกับเดนเดินด น, นั่งนอน บ, บพะต่างๆเอามาเพิยดความรู้สึกตัวจับจุดนั้นมาใช้จับจุดนี้มาใช้เอามาประกอบเอามาใช้ให้เกิดความรู้สึกตัวหรือว่าคลิป เอามาผลิตนะ่ะขยันจักหน่อยถ้าไม่ขยั น, นก็อยู่อย่างนั้นนะ่ะกายมันก็อย่างนั้นมันจะเท่าจะแก่เสียเวลาเสียประโยชน์ไม่ได้ใช่ของที่ใช่ไม่ได้ใช่งั้นเรามีรถเชื่อมาแล้วไม่ได้ใช่เรามีไฟฉายเอามาแล้วไม่ได้ใช่มันก็ไม่มีประโยชน์ เราเมื่อกายมันเป็นของที่ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แต่ใ น, นเราใช้กายผิดประเภทไปกินเหล้าไปสบปรีไปเที่ยวที่มันไม่มีประโยชน์ตอนนี้เราจึงออกมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์อยั่งโลโลวันเอยวนั่นแหละ กายมันลงตัวสติมันลงตัวมันก็ติดเป็นเหมือนกันถ้ากายกับสติจิตใจกับสติเป็นของติดกับมันน้ำกับนา้นาน้ำกับน้ำน้ำกับน้ำหนกมไม่ใช่น้ำกับน้า ม, มันมันของที่มันคู่กัน คู่อันอื่นไม่ปลอดภัยถ้ากายคู่กับสติเราปลอดภัยถ้าใจคู่กับสติเราปลอดภัยมันถ้ากายอยู่ตรงไหนสติอยู่ตรงนั้นถ้าใจอยู่ตรงไหนสติอยู่ตรงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเราทําตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นวิทยาศาสตร์จะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา เป็นมูลเป็นกุศลเป็นมากเป็นผลฮะมันเป็นมากเป็นผลจุดหมายปลายทางคือเป็นมากเป็นผลคือมันมาสฐานของของกายของใจความเป็นมาสฐานความคงเส้นคงวาความเป็นนิรันดรแล้วมันจบเป็นถ้ามันถึงมาสฐานของกายของใจเราก็จบ เรียกว่าเรียนจบถ้าเราเรียนจบก็ไม่ว่าอะไรถ้าเรียนจบมันก็ใช้ได้รู้เรื่องกายรู้เรื่องใจจบเรื่องของกายเป็นอะไรบ้างอาการของกายมีอะไรบ้างเรื่องของจิตใจมีอะไรบ้างอาการของจิตใจมีอะไรบ้างเป็นบาปเป็นบุญยังไงเป็นกุศลอย่างไร เลือกตเอามาใช่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเราไม่รู้เอามาเป็นเรื่องลงโทษลงโทษหลายชีวิตที่กายลงโทษหลายชีวิตที่จิตใจลงโทษลงโทษชีวิตชีวิตลงโทษชีวิตชีวิตเป็นประโยชน์ต่อชีวิตมันก็มีเหมือนกันหล่นมาก กายอาจจะหลงใจมันอาจจะหลงอาจจะหลงมากกว่าความโลดสึดตัวเพราะมันเป็นวัตถุแห่งกรมมาคุณในตาในหูในจมูกในเล่นในกายในจิดใจในโรคในรสในกลิ่นในเสียงในการสัมผัสถูกต้องมนอารมณ์มันเป็นของคู่ของคู่กัน ของมันคู่กันมันก็ย่อมเป็นปีเป็นขรุยแต่ถ้าเรามาสอดลูกสอดเห็นเห็นตากับลูกเอามาใช้เราใช่ตาไม่ใช่ตาใช่เราเราใช่หูไม่ใช่หูมันใช่เราเราใช่กายไม่ใช่กายมันใช่เราเราใช่จิตใจ ไม่ใช่ใจิตใจมันใช่เราแต่ถ้ามันใช่เราเราเราก็ลำบากแต่เราใช่มันก็เป็นประโยชน์จับมันมาใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของใช้สติเป็นนายเป็นนายคลังจับสิ่งเรานี้มาใช้ให้สำเร็จประโยชน์ใช่ตาเพื่อเกิดเป็นมากเป็นผลก็แล้วใช่หู เพื่อให้เป็นมรรคเป็นผลใช้จมูกลีนกายใจให้เป็นมรรคเป็นผลแต่ถ้าเราถ้ามันใช่เราไม่เป็นมรรคเป็นผลเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นทุกข์เป็นความยินดียินร้ายป็นน้อมันไปคนละทาง แมว เ, เลยเปลี่ยงแมว เ, เลยจับกันลอกกันแยมเอาผ้าปล่อย<ะ>เอาผ้าปล่อยก็ไป ป, ยไปปล่อยต่อก็ <c oughs> อไปปล่อยต่อทา ง, งอื่นแมวมันจับสัตว์ที่นี่เราไม่หากอยากให้แมอะไรมันเราให้ความเป็นธรรมต่อธรรมทั้งหลายแมวมันจับหนูมันสอนมาได้ สอนแมวไม่ให้จับหนูมันสอนไม่ได้มันเป็นสัญชาตญาณแต่การสอนคนเนี่สอนได้สอนให้ไหมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะแหละมันเราถ้าเราใช้มันน่ยมันก็เป็นประโยชน์ชีวิตที่เราผ่านมานี่เราไป็นความเป็นธรรมต่อธรรมต่อตัวเองไหยเราจึงมาดูมาดูมาตรวจตา มามีสติสตินี่จะเป็นหน้ารอบคอยดูแลคอยดูแลกายใจสตินี่แล้วให้โอกาสสติมาครองเราอะไรอะไรเกิดขึ้นเข้าข้างความรู้สึกตัวไว้ก่อนอย่าเพิ่งหลวนรับอย่าเพิ่งดวนปฏิเสธหัดใช้แรกก็หัดช้ า, ชา นกว่ามันจะชำนานเมื่อมันชำนานมันก็เป็นไปเองหรอกเป็นอัตโนมัติเหมือนเราฝึกหัดศิลปะอาชีพต่างๆจากจอบจากสารพ อ, อจับไม้ไผ่พอมีต่อกกบะสารอะไรก็บไปขอมันเองเพราะมันทาแต่ถ้ามันเป็นสูตรเฉยๆมันก็ไม่ใช่ สูตรสาลไล่ไล่คบว่ายังไงอพอทะยบมันย่อสองหาย่อสี่มันย่อสี่ายย่อสองขวบสามทุกที่เแม่นปะเป็นสูตรตีแม่นป่เฮ็ดเป็นปะเฮ็ดเป็นปะพอทะยบพอทะยบนั่งรอเป็นคู่แล้เฮ็ดวัตเป็นอละพอทะยบอันเ่ียวพอทยบคู่เฮ็ดวัเป็นแต่ถ้าว่าเรื่องวิชาการน่่งราเฮ็ดได้ วันยอสองหยยอดสี่วันยอดสี่หายยอดสองขอมสามถูกที่เป็นล่ายคุกพผ่ใหย่หรอแต่ถ้าได้แต่หลักสูตรมันไม่เป็นนะต้องไปยกตอกยียาที่จับตอกยกเนี่ยบางทีแต่ยกไม่เป็นตอกก็หักน้องแม่บอกยกเป็นมันไม่หักบางคนสารอะไรตอกหักหมดเลยเขาทำไมเป็นมันไม่นิ่มมือมันไม่นิ่มอืมต้องหัก ถ้าหัดเป็นแล้วมันไม่ลืมของที่ทําเป็นมันไม่ลืมที่เป็นรูปจักสารอะไรต่างๆเพราว่าเป็นเนี่ยมันก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรไม่ใช่ความรูนะ้นาะอันนี้ก็เหมือนกันเขาพ่อเคยพูดที่เสมอว่าทําให้เป็นไม่ใช่รู้ทําให้มันเป็นเมอมันเป็นแล้วมันจะมาเองความรู้สึกตัว มันเป็นแล้วมาได้หาพูดก่อนทำก่อนคิดสติมาไว้มันรู้สึกมารู้สึกกันเนี่ยทาให้มันเป็นเป็นสูตรสูตรของชีวิตที่ไม่ตายสูตรของชีวิตที่ไม่เป็นอันอื่นคือแต่ตัวรูปครอบแต่ตัวรูปหรือคองกายคลองใจเรามันก็เป็นใหญ่มันก็เด่นนะ ตัวลูกมันเป็นภาวะที่ใหญ่และเด่นมีอำนาจนะมีอำนาจแต่ถ้าตัวลงม่อำนาจเราก็เป็นธาตุถ้าตัวลูกมีอำนา จ, เร า, เ, นานาจเราก็เป็นไทยไม่มมภไยแล้วอิสระถ้าตัวหลงในครองกายครองใจแล้วเราก็ตกเป็นธาตุเป็นธาตุของกายของใจ เป็นชาติของความโลภควมโกรธความร้องของกิเลส ต, ตนะเล่าคะหลาอยากรับใช่อันนนต์รับใช่อันนี้เหมือนกับเสือหกปากในชีวิตเราเป็นเสือหกปากแต่ละปากมันกินอาหารไม่เหมือนกันต้องหาอาหารพอนมันสกสกสกสกสกไปสุดไม่ไรเลย ถ้าเราเป็นไทยไม่เป็นทาสเป็นนายเสือก็ไม่มีถึงหกป่าเสือตายเสือตายเสือไม่ชอบอยู่ในป่าเมื่อที่ใดมีป่าย่าประมาทเสืออุบาทมีอยู่คู่สถานคอยจับจ้องมองเหยื่อทุกวันวานใครเดินผ่านไม่ระวังไม่หวังตาย ณที่นี่เปลียบเสือเหมือนตันหาอาวิชาในเป็นป่าอาวิชาความไม่รู้พาลงไหลแม้เสืองามตันหาผาำนักไหนต่อเมื่อใดค่าเสือได้สบายเอ่ยขอเขียนไว้จำเข้ามาพูดนะมันไม่ป่าคือความไม่รู้มันมีตัวรู้กับตัวลหลงชีวิตเรา มีตัวลูกกับตัวหลงอ๋อมันไม่มากรอกมันแคบแคบแค่นี้อยู่ในกํามือเรากำมือเดียวอะไรอย่างนั้นเอาไปอามามีตัวลูกตัวหลงโอ้มันอยู่ในกํำมือจริงๆตัวลูกสร้างได้ไหมสร้างได้สร้างยังไงตามรอยก็ะุเจ้าพะพุท ธ, ทธเจ้าอะไเอโกมะโควิสุทธยาสติเอโกคือหนึ่ง เอกหนึ่งทุ ก, กสองติกสามจัตุกสี่ันจ ก, กห้าศักกะหกศักตกะเจ็ดอัฐกะแปนาวากะเ ก, ก้าทศ ก, กะสิบเอกหมายเลขหนึ่งเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งทางที่จะไปสู่มรรคสู่ผลเน่ยเลขหนึ่งคือสติมาเลยอ๋อเป็นทางกอฟรีเว แต่เยันทางพีเว่บ้านเราไม่แต่ไฮเว่ยไฮเว่ยแต่ทางประเทศสหรัฐเนี่ยพีเว่ล่อประเทศก็เลยพีเว่พุ่งล่อประเทศไม่มีไฟแดงไฟเขียวแต่บ้านเรายังมีไฟแดงไฟเขียวมีไฮเว่ยไม่ไม่กี่กิโลเมตรแต่ประเทศสหรัฐไม่ไม่พีเว่ ทั่วประเทศไปเลยเขาตั้งนาฬิกาเดินรถไปทำ ง, งานตลอดนาทีเท่านี้นาทีทาทได้แต่บ้านเราเยไม่ได้เพราะที็รถติดนะชีวิตรเราตรีเมมัดหลุดตะเ พ, พือตะเพือพ้นตะเ พ, พือตะเพือผ่านได้ตลอดถ้ามีสตินะถ้ามีสติผ่านได้ตลอด ภาวะที่ผ่านคือภาวะที่ดูผ่านแล้วถ้าเห็นแล้วผ่านทำให้เกิดภาวะเห็นความรู้สึกตัวนะเป็นภาวะที่ทำให้เกิดภาวะเห็นเห็นอะไรเห็นอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับกายกับใจถ้ามีสติถ้าไม่มีสติก็เป็นแล้วันเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้ผิดเป็นผู้ทูกนะเห็นเราเห็น เห็นมันหลงหรือเป็นผู้หลงเห็นมันคิดหรือว่าเป็นผู้คิดเห็นมันปวดมันเมื่อยหรือว่าเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยแต่ถ้าไม่มีสติมันนาเก็ียเป็นนะถ้ามีสติมันน่าเกลเห็นเกิดการเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเห็นเห็นอะไรเห็นกายเห็นอะไรเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตเห็นเวทนาเห็นธรรม เห็นเห็นผลนะมันเกิดการเห็นไม่ใช่เกิดการเป็นลรวพยายามยุกให้มันเห็นเป็นแล้วก็พยายามเทคลอกเห็นมันปวดเห็นมันปวดมันหิวเห็นมันหิวมันเมื่อยเห็นมันเมื่อยมันสุขเห็นมันถูกมันทุกข์เห็นมันทุก หนึ่งเดียวเท่านั้นตัวเฉลยเป็นตัวหนึ่งเดียวคือเห็นตัวรูปตัวเห็นถ้าเห็นแล้วก็ผ่านแล้ววันถ้าเป็นเหรอติดหรือติดติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นสุข ก, ก็ติดฝั่งขวาเป็นทุกข์ก็ติดฝั่งซ้ายถ้าเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ก็อยู่ตรงกลางเป็นมั่งมั่งการทน ต้นไม้ที่มันล อ, ลอยลอยอยู่ในน้ํำในน้ำท่อนทรงที่มันลอยอยู่กลางน้ำท่อนทรงเมื่อมันลอยอยู่กลางน้าํามันก็ย่อมถึงถึงทะเลแต่ท่อนทรงท่อนใดที่มันติดฝั่งท้ายฝั่งขวัวมันก็ไม่ถึงอ่ะมระเดีก๋กดลากขึ้นฝั่งเอาไปสําำระเอาไปสําำระ นีกน่ก็มีพระสงฆ์วางโลกมีพระอรหันต์วางโลกสมัยครั้งปุริจาเห็นท่อนรงร้อยมาในาน้าท่อนชงบางท่อนติดฝังต่องท้นบางท่องท่อนชงบางท่อนล่องอยู่ในกลางก็มาปเปรียบอุปมาอุปมาเหมือนกับชีวิตของตัวเองที่ปฏิบัติโอ้วิจิตของเราเนี่ยมันติดฝองไส้ติดฝังข้อ เธอติดความสุขติดความทุกข์ติดความยินดีติดความยินร้ายเรียว่ามันติดฝังถ้ามันเห็นมันอยู่ตรงกลางสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นผลในสุดได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทมองท่อนสุงมองขีดพิตมองท่อนสูงมองชีวิตอบประไวประมาล้อมก็มีความเพียร เอามาใช้เอ า, าติดฝังมันอยู่ตรงไหนม่นอยู่ที่เราบัดจัดการกับตัวเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วมันก็ทำได้ในวันนีเอาของที่เป็นวัตถุมาเป็นนมามธรรมเปลี่ยนมาเป็นนามเปลี่ยนมาเป็นของใช้ได้กับตัวเราใบ ไ, ไม้มันหล่นเอามาเปลี่ยนมาเป็นชีวิตเราที่มันมีอะไรอย่าง้เนี่ยโู้สึก สร้างความรู้สึกตัวมาสร้างความรู้สึกตัวนอามาประกอบเอามาทำเอารู้สึกตัวมารู้สึกตัวเนี่ยเ็พทําให้มันเป็นความรู้ว่ามันได้เป็นคู่กับกายความรู้สึกตัวมันเป็นคู่กับกจิตใจแล้วก็เกิดความเป็นธรรมทัท้งสิ้นเป็นสมาธิเป็นปัญญา สีนสมาธิปัญญาก็เรื่องของกายเรื่องของใจมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนเจ้าของกายเปลี่ยนเจ้าของแต่ก่อนความหลงครองกายความหลงคองใจปัจนความรู้สึกตัวมันคลองกายคลองใจเปลี่ยนเจ้ามาเจ้าของคือความรู้สึกตัวก็เกิดเป็นธรรมเจ้าของคือความหลงก็เกิดเป็นอธรรมเท่านั้นเอง เราทำได้สิ่งเล่นี้เราทำได้พยายามดูทีใจสักหน่อยทีใจสักหน่อยตาคมคมหูคมคมอย่าอย่าให้ไม่มีอะไรมาปิดบังได้มันเห็นไม่แต่เห็นหัวเลาะเยอะมันความหลงความมังความคิดอ่ายิ่มได้เ ม, มื่อภัยเมว่ามีปัญหาก็เกิดปัญญาแต่พืตอเพอไป อย่าไปอย่าไปน้อยนะต่ำใจปฏิบัติไปผิดพลาบ้างเออนี่ดีดีอยไกจะรยสักหน่อยจยได้เจ๋งได้กล้ามังค็เป็นานั้นจริงบางคนมีปัญหามากๆจะเกิดเป็นปรญญามากๆเหมือนกันบางคนไม่มีปัญหาก็ประมาณอไม่มีปัญญาได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นพยานถอพยามพย า, มายพายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นไม้พายทั้งมีปัญญาคู่กันไปด้วยรู้จับปรับไล่เป็นดีปรับแผนใหม่ปรับแผนใหม่ตั้งต้นใหม่นั่งนานเกินไปสร้างชงวะนานเกินไหมปรับใหม่หายใจอยู่นานเกินไปปรับใหม่นั่งนานเกินไหมปรับใหม่ลุกขึ้นเดินเดินนานเกินไปปรับใหม่ ให้มันใหม่ให้มันรูปใหม่ๆหรูปใหม่ๆทําให้เกิดใหม่มใหม่ชีวิตใหม่ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยต้องตั้งอยู่เรื่อยตั้งต้นอยู่เรื่อยตั้งต้นอยู่เรื่อยบาทีมันเก่าถ้ามันเก่ามันคำคลาดครึ่งหลงครึ่งลูบเอาให้ใหม่ๆห ม, มออ่อ่ะพอทยอยได้อ่อาอ่ะละวันนี้ก็พอละกับพระพร้อมกัน